ปชาบดีโคตมีต้องการให้ภิกษุและภิกษุณีเคารพกันตามอาวุโสพระมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปหาพระ อ, อนน์แจ้งว่าพระนางคิดที่จะทูลขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุและภิกษุณีทาการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมตามลำดับอาวุโส พระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูนให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระนางมีความคิดเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ข้อที่พระตถาคตจะอนุญาตการกราบไหว้การลุกครับการทำอัญชลีกรรมสามีจิต ก, กรรมแก่มาตุคามนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสเพราะแม้พวกอญยตเดรัจฉที่มีทำอันก่าวไหวไม่ดี ก็ยังไม่กระทำการกราบไหว้แก่มาตุคามพระพุทธเจ้าทรงอาศัยเหตุนั้นตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทำการกราบไหว้การลุ ก, กรับอัญเชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคามรูปใดทมต้องอบัตทุกกด สิกขาบทของภิกษุณีครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่กราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะสิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใดที่ทั่วถึงแก่ภิกษุพวกหม่อมชั้นจะปฏิบัติในสิกขาบทเหล่านั้นอย่างไรตรัสว่าดูก่อนโคตมี สิขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใดที่ทั่วถึงภิกษุพวกเธอจงศึกษาสิกขาบทเหล่านั้นดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่ฉะนั้นพระมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามต่อว่าพระพุทธเจ้าข่าก็สิขาบทของภิกษุณีเหล่าใดที่ไม่ทั่วถึงภิกษุพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิขาบทเหล่านั้นอย่างไรตรัสตอบว่า ดูกรโคตมีสิกขาบทของภิกษุณีลาวใดที่ทั่วถึงภิกษุพวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้นตามที่เราบัญญัติไว้แล้วสิกขาบทที่เหมือนกับภิกษุก็ให้ปฏิบัติ ด, ด้วยคือสาธารณะสิกขาบทที่บัญญัติเฉพาะภิกษุณีก็ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยคืออาสาธารณะสิกขาบท อธิบายครุ ธ, ธรรมแปดอัฐกครุ ธ, ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าครุ ธ, ธรรมเมหิหมายถึงธรรมอันหนักหรือครุ ธ, ธรรมเพราะเป็นธรรมที่ภิกษุณีทั้งหลายจะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยความเคารพอย่างยิ่งอธิบายครุ ธ, ธรรมข้อที่หนึ่ง ภิกษุณีแม้บวชแล้วร้อยพันสาต้องกราบไหว้ทำความเคารพภิกษุภิกษุณีพึงกระทำวัดอันสมควรแก่ภิกษุเช่นการหลีกทางให้การพัดวีการไต่ถามด้วยความเอื้อเฟือ้อถึงความต้องการเช่นน้ำดื่มเป็นต้นยามที่ภิกษุมาถึงที่อยู่ของภิกษุณีเพื่อให้โอวาส ภิกษุณีพึงกราบไหว้ภิกษุไม่ว่าจะพบภิกษุที่ใดไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านนอกบ้านภายในวิหารนอกวิหารหรือในละแวกบ้านหรือตรอกโดยที่สุดขบวนของพระราชาขับไล่ประชาชนเพื่อปิดทางเสด็จให้พระราชาหากภิกษุณีเห็นก็พึงกราบไหว้แม้ฝนกาลังตกพื้นดินเป็นโคลนตม แม้มีบาทหรือร่มอยู่ในมือก็ดีแม้ถูกช้างหรือม้าเป็นต้นไล่ติดตามอยู่ก็ดีก็ต้องไหว้เมื่อเห็นภิกษุเดินบิณฑบาตเป็นแถวอยู่แถวเดียวจะไหว้ครั้งเดียวแล้วกล่าวว่าดิฉันไหว้พระคุณเจ้าดังนี้ก็ควรถ้าภิกษุทั้งหลายเดินเว้นระยะห่างกันประมาณสิบเก้าศต้องแยกไหว้ทีละรูป ในที่ประชุมใหญ่มีภิกษุทั้งหลายนั่งอยู่จะไหว้ครั้งเดียวก็ได้แม้ในอันชลีกรรมก็พึงทำเช่นเดียวกับสามีจิกรรมภิกษุณีนั่งแล้วในที่ใดที่หนึ่งเมื่อเห็นภิกษุมาก็พึงทำการลุกรับเป็นต้นตามสมควรแก่สถานที่หรือเวลาที่สมควรแก่สามีจิกรรมนั้นนักนสักกตวา กระทำโดยประการที่ทำซึ่งตนทำแล้วจะเป็นอันทำแล้วด้วยดีครุกัตตวามากด้วยความเคารพในสิ่งที่ทำมาเนตวากระทำด้วยความรักจากใจจริงปูเชตวาบูชาด้วยการกราบไหว้คืออภิวาสลุกรับปัดจุดฐานังอัญชลีกรรมยาวชชีวัง อนัตติกากมณนยโยไม่พึงล่วงละเมิดตลอดชีวิตอธิบายคารุธรรมข้อที่สองภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุท่านกำหนดลักษณะอาวาสที่ไม่มีภิกษุคือกาหนด ถึงภิกษุผู้จะให้โอวาดให้คาุ ธ, ธรรมแปดแก่ภิกษุณีไว้ว่าต้องอยู่ในระยะกึ่งยอดจากสำนักของภิกษุณีนั้นหากไม่มีภิกษุเช่นนั้นอยู่หรือภิกษุณีอยู่ในอาวาสนั้นแล้วไม่อาจที่จะไปฟังโอวาทจากภิกษุภายหลังพัดแล้วกลับมาได้ชื่อว่าอาวาสที่ไม่มีภิกษุอันภิกษุณีไม่พึงอยู่จําพรรษาในอาวาสเช่นนั้น แต่หากว่าพวกญาติหรืออุปทากบอกแกพิกษุนีทั้งหลายว่าขอจงอยู่เถิดแม่เจ้าพวกผมจะนำพิกษุทั้งหลายมาเพื่อให้โอวาดอาวาดเช่นนั้นควรอยู่ได้หรือพิกษุทั้งหลายต้องการทำเพียงปร r a m กิ่งไม้เพื่อพักแรมคืนหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้จะไปแต่ถูกพวกชาวบ้านนิมนต์ไว้ให้จำพรรษาที่นั่น ภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในอาวาสปา ร, รามกิ่งไม้ใกล้กับภิกษุทั้งหลายบ้างก็ควรเมื่อเข้าพรรษาก็พึงบอกในวัน13บสาค่ำว่าพวกดิฉันจะอยู่ในโอวาสของท่านทั้งหลายแต่หากว่าสถานที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายห่างจากสำนักภิกษุณีโดยทางตรงกึ่งโยศคือโยศหนึ่งมีสี่คาวุฒปัจจุบันว่าโยศหนึ่งเท่ากับ16กกิโลเมตร กึ่งยอดจึงเท่ากับ8กิโลเมตรแต่ไม่อาจติดต่อกันทางตรงนั้นได้เช่นมีแม่น้ำหรือป่าทึบกั้นอยู่ต้องเดินทางอ้อมไปจนกึง่งยอดอาวาตของภิกษุณีนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นอาวาตที่ไม่มีภิกษุเหมือนกันหากว่าในที่มีประมาณหนึ่งคาวุธใกล้กว่ากึง่งยอดมีสำนักภิกษุตั้งอยู่เช่นกัน สำนักนี้มีอยู่ไม่เกินกึง่งยอของสำนักของภิกษุภิกษุณีที่อยู่กึง่งยอพึงไปอยู่สำนักของภิกษุณีที่อยู่ไม่เกินกึ่งโยอดพึงบอกว่าสำนักของตนอยู่ห่างจากสำนักของภิกษุเกินกึ่งโยอดแต่จงมาฟังโอวาทและทาอุโบสถในสำนักของท่านจากนั้นพึงไปบอกให้แกภิกษุทั้งหลายทราบหากพวกภิกษุทั้งหลายยินยอมรับรองแล้ว ตั้งแต่นั้นไปพิกษุนีเหล่านั้นพึงมาสู่สำนักภิกษุนีเหล่านั้นแล้วกระทําอุโบสถหรือเยี่ยมเยียนภิกษุนีเหล่านั้นแล้วกลับไปทําอุโบสถยังสำนักของพวกตนก็ได้กรณีที่พิกษุทั้งหลายมายัางวิหารในวันส4บี่คาก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อต้องการอยู่จาพรรษาพวกภิกษุณีพึงถามว่า พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่จำพรรษาในที่นี้หรือภิสู์ทั้งหลายตอบว่าใช่ภิกสุนีเหล่านั้นพึงเรียนไปว่าถ้าอย่างนั้นแม้พวกข้าพเจ้าก็จะอยู่อาศัยในโอวาทของท่านทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นภิสษุทั้งหลายเกิดเห็นว่าข้าวปลาหาได้ยากจึงเลีกไปจำพรรษาที่อื่นภิกสุนีเหล่านั้นไปสู่วิหารในวันอุโบโสถขึ้น15้าข้าม ไม่เห็นภิกษุทั้งหลายจะพึงทําอย่างไรท่านว่าภิกษุณีทั้งหลายอยู่ในอาวาสใดภิกษุณีก็พึงไปเข้าพรรษาหลังที่อาวาสนั้นหรือทําไว้ในใจว่าจะมีภิกษุทั้งหลายมาเข้าพรรษาหลังอาวาสนี้จึงยังไม่ไปไหนรอภิกษุมาในระหว่างนี้พึงอยู่ด้วยโอวาทของภิกษุผู้มาแล้ว ถ้าว่าวันเข้าพรรษาหลังก็ไม่มีภิกษุมาในระหว่างทางเกิดมีรัชภัยโจรภัยหรือทุพภิกขภัยภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นอาบัติเพราะอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุแม้ผู้ขาดพรรษาก็เป็นอาบัติพึงรักษาอาบัติมีการขาดพรรษาเป็นเหตุนั้นไว้แล้วไปหาที่อยู่ยังอาวาสที่มีภิกษุแต่หากเกิดอันตรายขึ้นก็เป็นอาบาัติ ไม่เป็นอาบัตแก่พวกภิกษุณีที่อยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุหรือถ้าหากว่าภิกษุทั้งหลายมาเข้าพรรษาแล้วหลีกหนีไปที่อื่นภิกษุณีพึงอยู่จำพรรษาต่อไปได้ไม่เป็นอาบัตเพราะถือว่าภิกษุณีมีพวกภิกษุเข้าพรรษาแล้วหากภิกษุณีอยู่จำพรรษาในอาวาสจะไม่มีภิกษุท่านปรับอาบัตปาจิตเต อธิบายครุธธรรมข้อที่สามกิษุณีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปฟังคําสอนจากพระภิกษุสมทุกกึ่งเดือนในวันอุโบสถสิบห้าค่ำพิษุณีพึงไปถามอุโบสถในวันสิบสี่คาแห่งปักวันอุโบสถสิบสี่คาพึงไปถามอุโบสถในวันสิบสามค่ำแห่งปักในวันอุโบสถภิษุณีพึงเข้าไปฟังโอวาทว่าด้วยคุธรรม จากภิกษุตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้าเป็นต้นพึงไปเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมท่านว่าพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้ภิกษุณีไปพบภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุสองนี้คือ 1. ถามวันอุโบสถหนึ่งและฟังธรรมหนึ่งเพราะมาตุคามีปัญญาน้อยการฟังธรรมจึงมีอุปการะแก่เธอและภิกษุณีทั้งหลายจะได้ไม่เกิดมานะ ว่าเก่งกว่าภิกษุจึงทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกษุผู้สอนภิกษุณีไว้ด้วยแปดอย่างย่อมคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายย่อมรู้ธรรมที่พวกเรารู้แล้วเท่านั้นจะได้นั่งใกล้ภิกษุณีสงทำบรนบรพชาให้มีประโยชน์จึงเข้าไปฟังธรรมจากภิกษุและปฏิบัติตามธรรมที่ทรงพร่ำสอนไว้อย่างไม่ขาด ในการไปรับโอวาทยังสำนักของภิกษุทั้งหลายนั้นมีได้ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุณีไปกันทั้งหมดอาวาทแต่ภิกษุณีสงพึงส่งภิกษุณีไปรับโอวาทเพียง2องถึงสรูปเพื่อป้องกันข้อคอรหาจากชาวบ้านก็ในวันไปรับโอวาทนั้นถ้าในอาวาทนั้นมีภิกษุผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากภิกษุสงให้สอนภิกษุณีอยู่ ภิกษุณีสองสามรูปพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกราบเรียนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าภิกษุณีสมขอไหว้เท้าภิกษุสง์และขอเข้ามาเพื่อรับโอวาทต้าแต่พระผู้เป็นเจ้าภิกษุณีสงพึงได้การเข้ามารับโอวาท ด, ดังนี้เป็นต้นภิกษุผู้ได้รับสมมุติแต่งตั้งจากสงแล้วพึงกวาดบริเวณ ตั้งน้ำฉันน้ำใช้ปูอาสนะของตนไว้ก่อนและชวนเพื่อนภิกษุนั่งอยู่ด้วยภิกษุณีทั้งหลายสองถึงสามรูปพึงอภิวาสภิกษุนั้นแล้วนั่งอย่างที่สมควรภิกษุนั้นพึงถามว่าพวกเธอพร้อมเพรียงกันแล้วหรือน้องหญิงทั้งหลายถ้าพวกนางตอบว่าพร้อมเพรียงกันแล้วเจ้าค่าพึงถามว่าคารุธามแปดนั้น น้องหญิงทั้งหลายยังประพฤติกันอยู่หรือถ้าพวกนางตอบว่ายังประพฤติกันอยู่เจ้าค่าพึงสั่งว่านี่เป็นโอวาทของน้องหญิงทั้งหลายถ้าพวกนางตอบว่าไม่ได้ประพฤติกันเจ้าค่าพึงตักเตือนเธอด้วยคารุ ธ, ธรรมแปดก่าวทบทวนตั้งแต่ข้อหนึ่งถึง8ถ้าพวกนางตอบว่าพวกดิฉันพร้อมเพรียงกันแล้วเจ้าข่าก็พึงก่าวชื่นชม ถ้าภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วนั้นสั่งสอนธรรมอย่างอื่นต้องอบัตทุกกฎถ้าพวกนางตอบว่ายังไม่พร้อมเพียงเจ้าค่าภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วนั้นกล่าวสอนคารุษธรรมแปรต้องอบัตทุกกฎไม่ให้โอวาาแต่สั่งสอนธรรมอย่างอื่นต้องอบัตทุกกฎ วิธีสมมุติภิกษุเพื่อกล่าวสอนภิกษุณีก่อนอื่นสงพึงขอร้องภิกษุณีนั้นก่อนครั้นท่านรับคำแล้วพึงให้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถสวดประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุถกรรมมวาจาดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้ว สมพึงสมมติภิกษุผู้มีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีนี่เป็นยัติท่านเจ้าข่าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสมสมมุติภิกษุผู้มีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีการสมมุติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด ข sh so, ้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สามท่านเจ้าค่าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมุติภิกษุผู้มีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีการสมมุติภิกษุผู้มีชื่อนี้ให้เป็นที่กล่าวสอนภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด ภิกษุมีชื่อนี้สงสมมุติให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้อย่างนี้ภิกษุรูปใดกล่าวสอนภิกษุณีโดยไม่ได้รับสมมุติต้องอบัตปาจิตตี คุณสมบัติแปอย่างของพิกสุสงสมมติใหสอนพิษุนีต่อมากลุ่มพัสฉับภคีได้สมมติกันและกันขึ้นเพื่อสอนพิษุนีเพราะหวังว่าจะได้ปัจจัย4จากพวกพิกษุนีพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกสุผู้ที่จะได้รับสมมุติจากสงต้องมีคุณสมบัติแอย่างดังนี้ 1. เป็นผู้มีศีล คือสำรวมด้วยปาติโมกสังวรสมบูรณ์ด้วยอาจาระโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสองเป็นพระหูสูตรคือทรงสุตตะเป็นผู้สั่งสมสุตตะในธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏะ ทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ทำเห็นปานนั้นอันภิกษุนั้นได้สดับมากทรงจําไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญา 3. พระปฏิโมกทั้งสองทั้งภิกษุและภิกษุณีปาติโมกมาแล้วด้วยดีโดยพิสดารแก่ภิกษุนั้นคือภิกษุนั้นจําแนกได้ดีคล่องแคล่วดี วินิจฉัยได้เรียบร้อยโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้มีวาจาสละสรวยชัดเจน 5. เป็นที่นิยมชม ช, มชอบของภิกษุณีโดยมาก 6. เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีได้ 7. เป็นผู้ไม่เคยล่วงครุษธรรมเสพเมถุนกับสตรีผู้บวชครองผ้ากาสายะอุทิตพระผู้มีพระภาคเจ้า 8. มีพรรษาได้20หรือเกิน20กรณีที่ไม่มีภิกษุผู้ได้รับสมมติให้สอนภิกษุณีถ้าอาวาสนั้นไม่มีภิกษุผู้ได้รับสมมติจากภิกษุสง์เลยภิกษุณีทั้งหลายพึงถามหาไปที่ภิกษุผู้แสดงปาติโมกหากภิกษุผู้ทรงปาติโมกนั้นเห็นว่า มีภิกษุถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติแปดอย่างอยู่เพียงแต่สงไม่ได้สมมติก็จงประชุมสงสมมุติภิกษุรูปนั้นขึ้นเพื่อให้สอนภิกษุณีเถิดแต่ถ้าหากภิกษุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้เลยภิกษุผู้ทรงปฏิโมกนั้นพึงกล่าวว่าไม่มีภิกษุรูปใดที่สงสมมติให้สอนภิกษุณีเลย ขอภิกษุณีสงจงพร้อมด้วยกรรมอันหน้าเลื่อมสายเถิดด้วยคําเพียงเท่านี้พระศาสนาก็สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาทั้งสิน้นเป็นอันเธอบอกแล้วภิกษุณีเหล่านั้นรับว่าดีละแล้วพึงไปบอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายในวันแรมค่ำหนึ่งหากอาวาสนั้นไม่มีแม้ภิกษุผู้ทรงปาติโมภิกษุณีทั้งหลายไปถามหาแล้ว พบแต่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นแจ้งแก่เธอแล้วกล่าวว่าไม่มีภิกษุรูปใดที่สงสมมุติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีขอภิกษุณีสงจงถึงพร้อมได้กรรมอันน่าเลื่อมสายเถิดภิกษุณีเหล่านั้นพึงรับว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าแล้วกลับไปบอกแก่ภิกษุณีสงเวลาถามให้ภิกษุณีถามเพียงรูปเดียวที่เหลือไปเป็นเพื่อน ภิกษุณีรูปที่เป็นผู้ถามและรับโอวาทนั้นเป็นภิกษุณีที่ภิกษุณีสงแต่งตั้งสมมุติส่งไปหาภิกษุสง์ฝ่ายภิกษุผู้รับให้โอวาทนั้นพึงนำกลับไปบอกแก่พวกภิกษุณีอย่างนั้นเหมือนกันในวันปฏิบตทวันแรมค่ำหนึ่งภิกษุจําเป็นต้องรับให้โอวาทแก่ภิกษุณีหากไม่มีภิกษุที่สงสมมุติไว้ หรือไม่มีภิกษุผู้ทรงปฏิโมกภิกษุจะไม่ให้โอวาดไม่ได้รูปใดไม่รับให้อวาดต้องอาบัตทุกกดเว้นภิกษุผู้เเคลผู้อาพาธผู้เตรียมตัวจะเดินทางภิกษุนอกนั้นรับให้โอวาดได้ทั้งหมดเมื่อภิกษุรับจะให้โอวาดภิกษุณีแล้วไม่บอกในโรงอุโบสถคือภายในสีมา หรือไม่นำกลับไปบอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายในวันปฏิบทย่อมไม่ควรย่อมต้องอาบัตทุกกฎหากภิกษุเป็นผู้รักษาอารัญยิกทุดงคืออยู่ป่าเป็นวัดพึงทาการนัดหมายเพื่อนำไปบอกแก่ภิกษุณีในวันปฏิบทสถานที่นัดหมายก็เช่นสภามนดบโคนไม้เป็นต้นและภิกษุณีจะต้องไปตามนัด หากไม่ไปก็เป็นอาบัตทุกฏกและหากไม่ไปถามอุโบสถถึงกึ่งเดือนภิกษุณีต้องอาบัตปาจิตตีอธิบายครุ ธ, ธรรมข้อที่4ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วออกพรรษาต้องปาวรณาแก่สงสองฝ่าย ทรงให้ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาในภิกษุณีสงก่อนในวัน14บ่ค่ำแล้วพึงปวารณาในภิกษุสง์ในวัน15บห้าค่ำการปรวารณาในภิกษุสงนั้นท่านให้ภิกษุณีสงคัดเลือกภิกษุขึ้นรูปหนึ่งภิกษุณีรูปนั้นรับปากแล้วภิกษุณีผู้ฉลาดผู้สามารถรูปหนึ่งพึงสวดประกาศให้ภิกษุณีสงทราบว่าข้าแต่แม่เจ้า ขอภิกษุณีสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติภิกษุณีชื่อนี้ให้เปารณาต่อภิกษุสงแทนภิกษุณีสง์นี่เป็นยัตติข้าแต่แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติภิกษุณีชื่อนี้ให้เปารณาต่อภิกษุสงแทนภิกษุณีสง การสมมุติภิกษุณีชื่อนี้ให้ปภาวณาต่อภิกษุสงฆ์ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงพูดภิกษุณีผู้เป็นภิกษุณีสงสมมุติขึ้นนั้นพึงไปกับภิกษุณีสง์เข้าไปหาภิกษุสงฆ์แล้วข่ผมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญเฉลีแล้วพึงกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเจ้าค่าภิกษุณีสงปรวรรณาต่อภิกษุสง์ด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ฟังก็ดีด้วยรังเกียจก็ดีขอภิกษุสงจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวภิกษุณีภิกษุณีสงเห็นอยู่จากทาคืนคือไม่ทาอีกข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข่าแม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สามถ้าภิกษุณีไม่ครบองสงคือมีน้อยกว่าสีรูปภิกษุณีที่สงสมมุติขึ้นนั้นพึงกล่าวสามครั้งอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าภิกษุณีทั้งหลายไม่เปรารณาแก่ภิกษุสงด้วยได้เห็นก็ตามด้วยได้ยินก็ตามด้วยรังเกียจก็ตามข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอภิกษุสงฆ์จงอาศัยความอนุเคราะห์ว่ากล่าวพวกภิกษุณีภิกษุณีทั้งหลายเห็นอยู่จากธรรมคืนถ้าภิกษุสงฆ์ไม่ครบองค์พึงกล่าวสามครั้งอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าภิกษุณีสงปรวรรณาแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ตามเมื่อไม่ครบองค์แม้สองฝ่ายพึงกล่าวสามครั้งอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายปรวนาแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทรงกําหนดให้ภิกษุณีปรวนาในภิกษุณีสมก่อนแล้วปรวรณาภิกษุณีสง์และห้ามปราวรณาพร้อมกับภิกษุทั้งหลายหากฝืนทมต้องอาบัตทุกกดหากไม่ปรวรณาต้องอาบัตปาจิตเต อธิบายครุ ธ, ธรรมข้อที่หภิกษุณีเมื่อต้องคารุ ธ, ธรรมคืออบัตสังคาทิเศษต้องประพฤตปักขมานัตในสงสองฝ่ายสังคาทิเศษของพิกษุณีชื่อว่านิสารณียะเพราะต้องขับออกจากมูแต่ไม่มีปราริวาทสำหรับภิุณีแต่ฝ่ายพิษุหากปกปิดจะต้องอยู่ปริวาทก่อนประพฤตมานั การประพฤติมานัดกรณีภิกษุณีต้องอาบัตสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่งใน17ข้อขณะกําลังประพฤติมานัดเพื่อจะออกจากอาบัตสังฆาทิเศษนั้นภิกษุณีรูปนั้นจะต้องไม่อยู่ลําพังเพียงผู้เดียวทรงอนุ ญ, ญาตให้สมมุติภิกษุณีรูปหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนของเธอซึ่งวิธีสมมุตินั้นจะต้องให้สมรับรอง โดยสวดประกาศให้ภิกษุณีสงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจามานัดที่ภิกษุสงและภิกษุณีสงให้แกนางภิกษุณีเรียกว่าปักธมานัดสงฟังให้กึ่งเดือนคือ15ราตรีเท่านั้นทั้งอบัตที่ภิกษุณีนั้นปกปิดและไม่ได้ปกปิดดังที่ตรัสว่าภิกษุณีผู้ล่วงคารุ ก, กรรมพึงประพฤติ ปักขมานัตในอุปโตสงคือสงสองฝ่ายคือทั้งภิกษุและภิกษุณีสง์นางภิกษุณีทั้งหลายพึงให้ปักขมานัตในวิหารแห่งสีมาถ้าไม่อาจทําอย่างนั้นได้พึงประชุมภิกษุณีจตุระวักโดยกําหนดอย่างต่ำรบองค์สง์ทางพระวินยัยคือสีรูปแล้วให้ในขันทศสีมาก็ได้ สีมาเล็กผูกเฉพาะโรงอุโบสถที่อยู่ในมหาสีมามีสีมันตริกขัณฑ น, นางภิกษุณีผู้ต้องอาบัต์นั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีสงห่มผ้าเฉวียงบาไหว้เท้านางภิกษุณีผู้แกกว่าแล้วกล่าวแจ้งว่าตนต้องอาบัติหนึ่งตัวเป็นต้นแล้วขอประพฤติปักขมานัตซึ่งภิกษุณีผู้ฉลาดผู้สามารถจะสวดประกาศให้ภิกษุณีสงทราบด้วยย ต, ติ จะตุตกรรมมาวาจาเช่นกล้าแต่แม่เจ้าขอสงฆชมฟังข้าพเจ้านางภิกษุณีชื่อนี้รูปนี้ต้องอบัตหนึ่งตัวชื่อคามนตราเธอขอปักขมานัดต่อสงเพื่ออบัตหนึ่งตัวถ้าความพร้อมรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงให้ปักขมานัดเพื่ออบัตหนึ่งตัวชื่อคามนตราแกนางภิกษุณีชื่อนี้ นี่เป็นวาจาประกาศให้รู้คามมนตราได้แกอ่อับต์สังฆาทิเศษข้อที่สคือภิกษุณีรูปเดียวเที่ยวไปสู่และแวกบ้านเป็นต้นเป็นอาบต์จบกรรมาวาจาแล้วเรียกภิกษุณีผู้ต้องอาบต์นั้นว่ามานัตตจาริกาคือผู้ประพฤติมานัตเธอพึงสมาทานวัดแล้วพึงบอกแก่สงคือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประพฤติมานัตของภิกษุนั่นแหละและ สามารถขอสมมุติให้ภิกษุณีอยู่เป็นเพื่อนได้แต่ว่าปักขมานัตของภิกษุณีนั้นต้องประพฤติในสงฆ์สองฝ่ายดังนั้นอาจารย์และอุปชาของนางภิกษุณีผู้ต้องอาบัตินั้นพึงไปยังวัดแล้วบอกแก่พระมหาเถระหรือภิกษุผู้เป็นธรรมกถรกรูปหนึ่งซึ่งรู้วินัยกรรมที่จะทำแกนางภิกษุณีต่อไป แล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดส่งภิกษุณีสีรูปไปในสถานที่ทําวินัยกรรมของเราทั้งหลายเถิดซึ่งพระมหาเทระหรือพระธรรมกถึกจะไม่ทําการสงเคราะห์ไม่ได้ต้องกล่าวตอบว่าเราจะส่งไปให้ในกรุณธีแนะว่าให้นางภิกษุณีผู้ประกัศตตะสีะรูปพาภิกษุณีรูปที่ประพฤติมานัดออกไปแต่ภายในอรุณ ให้เกินสองเลตุบาทแต่อุปจาระบ้านออกไปแวะออกทางใหญ่นั่งในที่มีกอไม้หรือรั้วกำบังไว้พึงให้เกินสองเลตุบาทนับแต่อุปจาระของวัดออกไปฝ่ายภิกษุผู้ประกตศตะสี่รูปพึงไปในที่นั้นไปถึงแล้วไม่พึงนั่งในที่เดียวกับภิกษุณีทั้งหลาย พึงหลีกไปนั่งในที่ไม่ไกลกันในมหาปัจจารีเป็นต้นแนะว่าแม้นางภิกษุณีทั้งหลายก็ควรชวนอุบาสิกา1ถึงสองคนซึ่งเป็นผู้ฉลาดไปด้วยเพื่อประโยชน์แก่การรักษาตนฝ่ายภิกษุทั้งหลายก็ควรชวนอุบาสก1ถึงสองคนไปด้วยเพื่อประโยชน์แก่การรักษาตนคลั่นภิกษุทั้งหลายนั่งแล้ว นางภิกษุณีนั้นพึงสมาทานวัดว่าข้าพเจ้าขอสมาทานมานัตสมาทานวัดแล้วพึงกลับไปบอกแก่ภิกษุณีสงฆ์ว่าตนเองได้ต้องอาบัตสังฆาทิเศตบัตนี้ได้ข้อประพฤติปักขมานัตแก่ภิกษุสงฆ์แล้วภายหลังก็พึงไปบอกในสำนักภิกษุสงฆ์ด้วยดังนี้เป็นต้นมานัตของภิกษุประพฤติหกราตรีของนางภิกษุณีหนึ่งปัก สิบห้าราตรีเมื่อประพฤติครบแล้วสงจักับพานรับเข้าหมู่เหมือนเดิม